การปฏิบัติธรรมตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในขั้นไหนระดับไหนก็ตามทรรมที่ต้องมีในการปฏิบัติก็คือสติสตินี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดพอถ้าไม่มีสติแล้ว จะไม่สามารถทำอะไรได้คนไม่มีสติคือคือคนแบบหนยก็คือคนนอนหลับนอนหลับก็ไม่มีสติคนเมาสุราก็ไม่มีสติคนบ้าคนเสียสติก็ไม่มีสติคนตายก็ไม่มีสติคนเหล่านี้ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดผลตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้จำเป็นจะต้องมีสติถึงจะสามารถสั่งให้จิตใจไปปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆได้เช่นวันนี้ญาติโยมมีสติสั่งให้ใจมาทำบุญทำทาน มาฟังเทศฟังธรรมถ้าไม่มีสติตอนนี้อาจจะนอนอยู่ก็ได้เช่นเมื่อคืนนี้อาจจะไปเที่ยวกันดึกดื่มสุรากันจนเมาพอถึงเวลาเช้าก็ยังตื่นไม่ไหวเนื่องจากพิษสุรายังทำให้มีอาการมึนเมาอยู่นี่คือตัวอย่างของการมีสติ ค, คนที่จะทำอะไรได้คนที่จะทำในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์จำเป็นที่จะต้องมีสติสติก็มีหลายระดับด้วยกันสติระดับทานสติระดับศีลศีลต่างๆศีลหาศีล8ศีลสิบศีลสองริบเก็จะต้องมีสติมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถึงจะสามารถรักษาศีลได้มากขึ้นเพราะสตินี่เป็นตัวคอยห้ามจิตใจนั่นเองคอยห้ามไม่ให้จิตใจไปทำผิดผิดศีลต่างๆถ้ามีสติน้อยก็รักษาศีลได้น้อยเช่นเด็กนี่มีสติน้อยกับผู้ใหญ่รักษาศีลไม่ได้เท่ากับผู้ใหญ่ แต่ถ้าตัจารานเติบโตขึ้นไปมีสติมากขึ้นก็จะสามารถรักษาศีลได้มากขึ้นสตินี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับต่างๆจนถึงระดับมรรคผลผนิพพานคือระดับที่จะ อยู่เหนือกองทุกต่างๆกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือสติหรือขั้นต่ำกว่านั้นขั้นสวรรค์ชั้นต่างๆหรือขั้นมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นที่จะต้องมีสติถ้ามนุษย์ไม่มีสติก็มักจะไปทำบาปไปทำผิดกฎหมายกัน แล้วก็ต้องถูกจับไปลงโทษขังคุกขังตารางถ้าตายไปจิตก็จะลงไปสู่อบายเพราะไม่มีกำลังของสติคอยยับยัง้งคอยห้ามไม่ให้จิตไปกระทำบาปต่างๆสตินี้จึงเปรียบเหมือนกับเบรคของรถยนต์ หรือเป็นเหมือนกุญแจอของรถยนต์ะรถยนต์นี้จะวิ่งไปไหนมาไหนได้ต้องมีกุญแจรถยนต์ถ้าเราลืมกุญแจไว้ไม่รู้ว่าไว้กุญแจไว้ที่ไหนเราก็จะไม่สามารถขับรถยนต์พาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราจะต้องไปได้เราก็ต้องไปหากุญแจมาก่อนะ หากุญแจมาถ้าเราไม่สามารถหาเองได้ก็อาจจะต้องไปหาช่างให้ไปช่วยทำกุญแจมาเพื่อที่จะได้ปลดล็อกเพื่อที่จะได้สตาร์ารเครื่องรถยนต์รถยนต์ถึงจะสามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้รถยนต์จะมีราคาแพงขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถ พาเราไปไหนมาไหนได้ถ้าเราไม่มีกุญแจรถยนต์ทำต่างๆที่จะพาให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆนี้ก็เหมือนกันจะเป็นทานก็ดีเป็นศีลก็ดีเป็นสมาธิก็ดีเป็นปัญญาก็ดีถ้าไม่มีสติเนี่ย ธรรมะเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ไม่มีสติก็จะมาทำบุญทำทานไม่ได้ไม่มีสติก็จะรักษาศีลไม่ได้ไม่มีสติก็จะนั่งสมาธิไม่ได้ไม่มีปัญญาก็จะไม่สามารถศึกษาทำพิจารณาธรรมเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้ สติจึงเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งสำคัญที่สุดนะพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบสตินี้เป็นเหมือนรอยเท้าช้างในป่านี้จะไม่มีรอยเท้าของสัตว์ชนิดใดที่จะใหญ่กว่ารอยเท้าช้างได้รอยเท้าช้างนี้จะครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเสือเป็น เป็นอะไรก็ตามเสือสิงกะทิงแรดเนี่ยจะมีความดูร้ายเก่งกาจกว่าช้างก็ตามแต่รอยเท้าของสัตว์ต่างๆเหล่านั้นจะไม่ใหญ่เท่ากับรอยเท้าช้างทำต่างๆถึงแม้จะเป็นคุณเป็นประโยชน์มากกว่าสติ ถ้าไม่มีสติทมต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ธรรมที่จะพาให้เราไปสวรรค์คือทานกับศีลก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติธรรมที่จะพาให้เราไปสู่พรหมโลกไปสู่สมาธิคือฌานขั้นต่างๆก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ ถ้าเราไม่มีสติทรรมที่จะพาเราขึ้นสู่โลกุตตรธรรมขึ้นสู่มรรคผลนิพพานก็ต้องมีปัญญาปัญญาก็จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสติไม่มีสติฟังเทศฟังธรรมฟังก็ไม่รู้เรื่องเวลานั่งฟังแทนที่จะจิตจะตั้งใจฟัง จิตก็จะลอยไปกับความคิดต่างๆคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจถ้าไปสอบก็สอบตกเพราะจาไม่ได้เด็กนักเรียนในห้องเรียนนี่จะเรียนเก่งเรียนไม่เก่งก็อยู่ที่สตินี่เองเด็กที่เรียนได้เกรดดีได้เกรดสี่เพราะมีสติมากตั้งใจฟัง คำสอนของครูตลอดเวลาครูพูดอะไรก็ได้ยินได้ฟังเข้าใจจดจำได้พอเวลาไปสอบก็สามารถตอบคำถามต่างๆได้อย่างครบบริบูรณ์จึงได้เกรดสี่เด็กที่สติไม่ค่อยดีนั่งฟังไปใจก็ลอยไปคิดถึงของเล่นไปคิดถึงขนม ไปคิดถึงที่เที่ยวฟังไปก็ไม่เข้าใจเพราะได้ยินแต่เสียงแต่ไม่รู้ว่าเสียงนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเพราะใจไม่ได้ฟังใจมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องอื่นโดยจําเรื่องที่ครูสอนไม่ได้เวลาไปสอบก็สอบได้คะแนนไม่ดีเพราะจำได้บ้างจําไม่ได้บ้าง เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างส่วนที่เข้าใจก็ตอบคำถามได้ส่วนที่ไม่เข้าใจก็ตอบไม่ได้เนี่ยทุกอย่างในโลกนี้ขึ้นอยู่กับสติเป็นหลักคนที่จะขึ้นไปสูงระดับต่างๆนี้ต้องมีสติมากเมื่อมีสติมากก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้มากมีสติปัญญามีปัญญาได้มาก ที่เรียนหนังสือก็จะจบหนังสือชั้นสูงก่อนที่มีสติมากจบริญญาเอกได้คนที่มีสติน้อยกว่าจบไม่ได้เรียนไปแล้วเรียนไม่ได้เพราะไม่มีกำลังสติที่จะคอยบังคับให้ใจอ่านหนังสือดูหนังสือทำการบ้านสอบตอบข้อสอบต่างๆ ก็มวัวจะไปคิดเรื่องอื่นไปคิดเรื่องทํานู่นทนํานี่เรื่องไปนู่นมานี่ไปดูนั่นไปฟังนี่ไม่มีสติเลยไม่สามารถที่จะเรียนขั้นสูงๆได้คนที่ก้าวหน้าในทางราบยศสารเสริญสุคนี้ก็มีสติเป็นผู้ที่จะ ชีบ่งบอกว่าจะขึ้นสูงหรือไม่ขึ้นสูงคนที่เรียนเก่งคนที่มีความสามารถทําอะไรได้มากก็มักจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้มากกว่าคนที่มีสติน้อยกว่าไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมเนี่ยสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนไม่ควรที่จะมองข้ามกัน ควรที่จะให้ความสำคัญสร้างสติรักษาสติไว้อย่าปล่อยให้ใจขาดสติเพราะจะกลายเป็นคนเสียสติได้คนที่เสียสติที่เราเรียกว่าคนาปัญญาอ่อนหรือคนบ้า น, นีก็เป็นเพราะว่าไม่มีสติคอยมาควบคุมใจให้เรียนรู้อะไรต่างๆได้ ถ้าเรียนรู้เรื่องพื้นฐานยังเรียนรู้ไม่ได้เรื่องของการาสั่งให้ร่างกายไปทำอะไรช่วยตัวเองนี่ถ้าไม่มีสติพอก็ยังทำไม่ไดเ้เด็กที่ปัญญาอ่อนเด็กที่ไม่บกพร่องทางสตินี่จะทำะไรเองไม่ได้บ้างจะต้องมีพี่เลี้ยงมีคนที่มีสติมาก พอที่จะมาคอยคอยช่วยเหลือคอยห้ามปลามถ้าปล่อยให้ทำอะไรเองก็อาจจะทำแล้วเสียหายหรือทำไม่ได้ผลที่ต้องการจิตที่จะได้เพราะไม่มีสติคอยสั่งให้ใจคิดไปในทางที่จะทำให้เกิด การกระทาที่เกิดผลขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราขอให้พวกเราเพียรพยายามสร้างสติกันอยู่เรื่อยๆรักษาสติไว้ยิ่งกว่ารักษาอะไรทั้งหมดทั้งปวงเพราะว่าถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถรักษาอะไรได้มีอะไรก็จะ ไม่สามารถที่รักษามันได้ถ้าไม่มีสติเพราะว่าถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถสอนใจให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีจะไม่รู้จักวิธีรักษาสิ่งที่ดีจะไม่รู้จากวิธีคอยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้น ภายในใจได้ฉะนั้นสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญทุกระดับระดับทานระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาถ้าไม่มีสติเป็นผู้นำจะไม่สามารถทำฐานได้จะไม่สามารถรักษาศีลได้จะไม่สามารถ ฝึกสมาธิได้สามจะไม่สา ม, มารถพิจารณารมให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้นี่นะปริมาณของสติหรือกำลังของสติก็ต้องมีเพิ่มมากขึ้นไปถ้าอยากจะขยับการปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้นไปสติระดับทานนี้น้อยกว่าสติระดับศีลนะ สติระดับศีลก็น้อยกว่าสติระดับสมาธิสติปสติระดับสมาธิก็น้อยกว่าสติระดับปัญญาดัางนั้นการจ ะ, ะก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวสติเป็นหลักมีสติน้อยก็จะปฏิบัติธรรมได้ขั้นน้อยขั้นไม่สูง มีสติมากก็ปฏิบัติทำขั้นที่สูงได้เหมือนกับเรียนหนังสือในโรงเรียน mm hmm. เด็กที่มีสติน้อย mm hmm. ก็เรียนไปไม่ได้ไกล mm hmm. เด็กบางคนจบป .6 นี่ก็ไม่เรียนต่อแเพราะเรียนไม่รู้เรื่อง mm hmm. เรียนก็ไม่สามารถสอบผ่านได้หรือไปสมัครไปสอบคัดเลือกก็ไม่สามารถผ่านการคัดเลือกได้ พราสติมีไม่มากพอบางคนก็มากพอที่จะเรียนจบม .6 บางคนก็จบปริญญาตรีบางคนก็จบปริญญาโทบางคนก็ปริญญาเอกเนี่ยยิ่งสูงขึ้นยิ่งยิ่งยากยิ่งต้องใช้สติมากคนจึงไม่ค่อยมากเวลาขึ้นชั้นสูงคนชั้นสูงนี่จะน้อย คนชั้นต่ำนี้จะมากคนที่ไม่เรียนหนังสือนี้อาจจะมีมากกว่าคนเรียนหนังสือเพราะไม่เรียนหนังสือนี้ไม่ต้องใช้สติคอยควบคุมให้ไปเรียนทำงานเป็นกรรมกรอย่างนี้ใช้แรงงานไม่ต้องใช้สติมากพอให้รู้ว่าให้กวาดใบไม้ได้เก็บขยะได้ถูพื้นถูบ้านได้ก็ทำงานได้แล้ว สเตระดับที่ไม่มีการศึกษาถ้าอยากจะเรียนรู้ภาษาอยากจะเรียนรู้การบวกลบคูณหารเรียนรู้วิธีก่อ น, นั่นสร้างนี่ทำนู่นทำนี่ต้องมีสติคอยควบคุมใจให้เรียนให้ตั้งใจฟังให้ตั้งใจอ่านหนังสือถึงจะเข้าใจแล้วถึงจะสามารถเอาความรู้นี้ไปทำ ประโยชน์ได้นี่คือพูดให้เห็นเปรียบเทียบให้เห็นความสำคัญของสติคนเราที่เรียนสูงเรียนต่ำนี้ที่ต่างกันก็เพราะกำลังของสติของแต่ละคนมีไม่เท่ากันนั่นเองคนมีสติมากก็เรียนได้สูงมากเพราะเขาจะเรียนได้เขาจะไม่รู้สึกยากเย็นคนที่ไม่มีสตินี่รู้สึกเรียนยากเย็นด้วยเกิน อ่านหนังสือแล้วก็ไม่เข้าใจจำไม่ได้เวลาไปสอบก็สอบตกแต่คนที่มีสตินี้อ่านหนังสือก็ง่ายเข้าใจง่ายจาง่ายพอไปสอบก็ตอบคาตอบทำข้อสอบได้อย่างง่ายได้อยู่ที่ตัวสติตัวนี้ตัวเดียวนั้นเี่ที่ทําให้คนเหล่านี้มีความสามารถต่างกันจะทําอะไรต่างๆนี้อยู่ที่ตัวสติเท่านั้นเน่ย ไม่ว่าจะเล่นกีฬาเล่นดนตรีหรือจะทําอะไรแข่งขันกีฬาเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงที่ได้ต่างกันก็อยู่ที่สติเนี่ยเตะฟุตบอลแข่งกันก็อยู่ที่สติของคนเตะนั่นแหละกายมีสติไวคล่องแคล่วสามารถเลี้ยงลูกให้หลบคนนั้นหลบคนนี้ได้คนเดียวก็สามารถยิงเข้าประตูได้อ่า ถ้ามีสติแบบมหาสติแล้วนี่สามารถที่จะฝึกเตะลูกฟุตบอลเลี้ยงลูกฟุตบอลให้ผ่านคู่ต่อสู้ที่คอยขวางกั้นได้นะ่อยู่ที่สติเท่านั้นแหละพราเมื่อมีสติก็จะสามารถสั่งให้ร่างกายฝึกทำการเตะลูกต่างๆได้นะถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถควบคุมสั่งให้ร่างกายเตะ ลูกพัดบอลให้ไปตามทิศทางที่ต้องการไปได้ไม่ว่าจะทำอะไรเหมือนกันหมดเล่นตีกอล์ฟตีเทนนิสเนี่ยมันก็ต้องใช้สติเท่านั้นไม่เชื่อลองไปดูเลยไปตีกอล์ฟว่าไหนไม่มีสติตีไม่ได้เรื่องอ่ะนั่งไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ตีลูกแล้วก็ออกไปเรื่อยไปลงหลุมทรายบ้างไปตกน้าบ้างอะไรที่จะไปให้มัน โอ๊ยตัวเราใหญ่กึ้นมันต้องหลายเท่าตัวมันนิดเดียวอะไรวะออนี่ก็ไม่มีสติไม่มีสติไม่มีปัญญาพอใจกลัวขึ้นมาก็ไม่มีอะไรหยุดมันได้มันจะหนีอย่างเดียวไม่ใช้ปัญญาว่าโอตัวมันแค่นี้มันทำอะไรเราได้ เราตัวก็ใหญ่กับมันร้อยเท่าจับมันโยนทิ้งไปก็ได้เห็นทำไมจับปลาจับกุ้งจับเป็ดจับไก่เข้าปากได้จับจิ้งจงจับไม่ได้เ <c oughs> นี่ยไม่มีสติพอใจมันคิดอะไรของมันนี่ฆ่ามันไม่ได้ ถ้ามีสติก็บังคับมันได้สอนมันได้บอกเฮ้ยมันมันน่ากลัวตรงไหนมันมีอะไรน่ากลัวอ่านี่เรื่องของสตินี่เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่ผู้ที่อยากจะพัฒานาจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับอยากทา่านต้นก็มีสติรักษาความเป็นมนุษย์ให้ได้ก่อน การจะเป็นมนุษย์ได้นี่ต้องไม่ทำบาปถ้าทำบาปแล้วใจมันจะเลื่อนลงไปสู่อบายทันทีถ้าทำบาปด้วยความหลงมันก็จะไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวเนี่ยเมื่อกี้กลัวเนี่ยถ้าไม่อยู่ต่อหน้าพระอาจจะหาอะไรทุกข์มาแล้ว <c oughs> ต่อไปดวงวิญญาณก็จะเป็นนสุลกายนะอยู่กับความกลัวกลัวทุกเรื่องทุกราวมีอะไรเข้ามาหน่อยก็กลัวแล้วทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นนสุลกายทำบาปด้วยความโกรธก็เป็นนรกเน่ฉะนั้นต้องพยายามรักษาสติในระดับของมนุษย์ให้ได้ก่อนสติของระดับมนุษย์ก็คือไม่ทำบาปเนี่ย บาปมีสี่ข้อแต่ท่านเพิ่มข้อที่ห้าคือไม่ให้ดื่มสซากวามจริงการดื่มสซลานี้ไม่บาปแต่เป็นอบายามุกเป็นเหมือนกับเอาเอาคนไปยืนอยู่ที่หน้าผาโอกาสที่จะตกผาม่มันง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ไปยืนอยู่ที่หน้าผา เหมือนกันใจนี่ถ้าไปยืนอยู่ที่ประตะประตูของอบายก็จะเข้าไปในอบายได้ง่ายกว่าคนที่อยู่ห่างไกลจากประตูของอบายอบายมุกก็คือแปลว่าประตูของอบายนั่นเองมุกก็คือทางเข้าออกมุกวาวรมุกแปลว่าวาวรทางเข้าทางออกอบายก็คือ ที่อยู่ของคนที่ทำบาปของของสัตว์โลกที่ทำบาปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนนอกจากไม่ให้ทำบาปสี่ข้อแล้วยังต้องห้ามข้อที่ห้าไม่ให้ดื่มสุราเพราะการดื่มสุราเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้มไม่มีสติกันพอดื่มดื่มสุราแล้วก็เริ่มมึนเมาพอเริ่มมึนเมาแล้วทีนี้ไม่สามารถควบคุมความคิดได้ลนะ้ จะคิดอะไรไม่ดีก็ปล่อยให้พูดออกมาสังเกตดูคนที่เมาสุรานี้กิริยาอาการวาจานี้จะไม่เรียบร้อยจะไม่เหมือนคนที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ดื่มสุราะคนคนเดียวกันนี่กลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยเวลาเมาสุราแล้วนี่ไม่เคยพูดในสิ่งที่ไม่พูดก็พูดออกมาได้ไม่เคยทําในสิ่งที่ทํามาก่อนก็ทําได้ เพราะว่ามันไม่มีอะไรมาห้ามความรู้สึกความนึกคิดในตอนที่เมาสุรานั่นเองคนเมาสุราจึงไปทำบาปได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้เมาสุระตอนนี้เราไม่เมาสุรานี้เรานั่งเฉยๆได้ถ้าวันก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเมาสุรามานี่มาถึงก็อาลวาดโวยวาย ธรราจะไม่กล้าแสดงอาการอย่างนี้แต่พอเมาแล้วไม่รู้สึกตัวนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมานึกอยากตะโกนก็ตะโกนออกมาแต่ถ้าเวลาไม่เมาเนี่โอ้ยเรียบร้อยมีความมีความอายไม่กล้าพูดอะไรแต่พอเมาสุราแล้วความอายมันหายไปความกล้าบ้าบิ่นกล้า ปรากฏขึ้นมาอยังนั้นศีลจึงต้องเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือข้อเดื่มสซลาก็รยิงเดื่มสซลาตามลาพังมันไม่บาปหรอกเช่นเราเดื่มสุลาแล้วเราไปนอนหลับมันก็ไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายแต่ถ้าเดื่มสุลาแล้วยังไปทำอะไรต่อนี่เดี๋ยวต้องเกิดเรื่องไปขับรถเดี๋ยวก็ต้องเกิดอุบัติเหตุชนคนตายเมาแล้วขับเห็นไหม เมาก็แสดงว่าไม่มีสติในการขับรถเว่าไม่มีไม่มีสติก็จะไม่ควบคุมรถให้มันอยู่ในท้องถนนหรือไม่ควบคุมรถไม่ให้ไปชนคนนั้นจนคนนี้ขับไปแล้วก็พอถึงเวลาก็หยุดไม่ได้เพราะไม่มีสติไม่ทันกระต่อเหตุการณ์ก็เลยต้องห้ามดื่มสุราตาจริงข้อดื่มสุรานี้ไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นอบายามุก แต่เป็นตัวที่จะทําให้การทําบาปนี้ง่ายขึ้นหลายหลายเท่าคนที่ไม่ดื่มสุรากับคนดื่มสุรานี้อุบัติเหตุจะต่างกันอุบัติเหตุส่วนใหญ่นี้เกิดจากคนดื่มสุราตํารวจก็ถึงต้องบังคับให้เวลามีอุบัติเหตุสิ่งแรกเขาต้องการตรวจก็คือดูปริมาณของโซดาว่ามีอยู่ในร่างกายมากน้อยเพียงไร ถ้าเกินขีดก็รู้แล้วว่าเมาละในสุราถ้าดื่มน้อยๆคำสองคำมันยังไม่มีผลอะไรแต่ถ้ามันเดิมเกินขีดที่เขามีมาตรฐานไว้แสดงว่ามันไม่มีสติพอที่จะควบคุมให้การกระทําต่างๆนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่เกิดความเสียหายตามมาแต่ความ สุลานี่ไม่บาปแต่เป็นอบายามุกที่จะให้ไปทําบาปได้ง่ายให้พูดคําหยาบได้ง่ายคนดื่มสุรานี้พูดคำหยาบง่ายกว่าคนไม่ดืม่มโซล่าไม่สุภาพเรียบร้อยการกระทําอะไรต่างๆไม่สุภาพเรียบร้อยแล้วถ้ามีความอยากทําอะไรก็ยับยั้งไม่ได้แบบคนที่ไปประพฤติผิดประเวณีก็เนี่ย เมาสุราแล้วก็เลยกล้าไปเที่ยวโสพภณีเวลาไม่เมาก็ไม่กล้าไปแต่พอเมาแล้วความอายก็หายไปความกลัวก็หายไปจะไปเที่ยวโสพภณีจะไปประพฤติผิดประเวณีก็ทำได้อย่างง่ายดายถ้าทำบาปแล้วไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่งก็จะทำให้จิตของ ผู้ที่เป็นมนุษย์นี้เริ่มเสื่อมลงคือมันไม่ได้เสื่อมแบบร้อยเปอร์เซนตทันทีทันใดทำผิดข้อหนึ่งมันก็มันก็เสื่อมลงไปนิดหนึ่งทำผิดอีกข้อหนึ่งมันก็เสื่อมไปอีกข้อมันก็ค่อยๆเสื่อมไม่ใช่ว่าทําบาปข้อหนึ่งปุ๊บจะไปเป็นอบายทันทีมันไม่ใช่แต่ถ้าทําบ่อยๆเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็จะเป็นมากขึ้นมากขึ้น อย่างพระพุทธเจ้าสอนพระลาหุลเรื่องของการพูดปดนท่านยกพระพเจ้าตักน้ำขึ้นมาขันหนึ่งแล้วก็บอกว่าลาหุลเนี่ยน้ำในขันนี้เหมือนความดีในตัวเธอนถ้าเธอไม่พูดคาเท็จนี่น้ำในขันนี้ก็ยังจะเต็มอยู่ความดีในตัวเธอก็ยังจะเต็มอยู่แต่ทุกครั้งที่เธอพูด พูดเท็จนี่พระพุทธเจ้าก็เทน้ําออกหน่อยหนึ่งทุกครั้งที่ตาพูดเท็พจพระเจ้าก็เทน้ําออกหน่อยหน่อยถ้าพูดเท็จบ่อยๆต่อไปจะไม่มีน้ําเหลืออยู่ในขันจะไม่มีความดีความน่าเชื่อถืออยู่ในอยู่ในใจคนเราจะเชื่อถือกันได้ก็อยู่ที่สัจจะไม่ใช่หรือ ถ้าพูดอะไรตกลงกันแล้วไม่ทำตามสัจจะนี้จะเชื่อถือกันได้ปะ่ะสัญญาจะจ่ายเงินถ้าทำงานนี้เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วไม่ยอมจ่ายคราวหน้ามาสัญญากันยังไงก็ไม่เชื่อแล้ ว, ลวถ้าไม่จ่ายเงินก่อนทีนี้ก็ไม่ทำให้แล้ว น, นี่คือสัจจะให้ไหม่เด็กเลี้ยงแกะเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะตอนต้นนี่ไม่ได้โกหกคนเชื่อใช่หไหม พขาบอกว่ามีฝูงหมาป่าจะมากัดกินแกะรีบวิ่งไปบอกชาวบ้านชาวบ้านก็รีบมาช่วยแต่เด็กเลี้ยงแกะนี้โกหกไม่มีไม่มีฝูงหมาป่าจะมากัดกินแกะชาวบ้านมาเพราะคิดว่าเป็นคนที่พูดจริงมีสัจจะก็เลย พอมาช่วยไม่เห็นมีอะไรเห็นเด็กเลี้ยงแกะนั่งหัวเลาะยเยะเย้ยเ็กทีนี้ขาวหน้าลองไปบอกว่ามีมีผงหมาป่ามาเนี่ยขาวหน้ามาจริงไปบอกขอเล่าให้ใครมาไม่มีใครมาช่วยเพราะไม่เชื่อแล้วไม่มีสัจจะแล้วดังนั้นสัจจะนี่สาคัญ เ, เป็นคุณสมบัติของมนุษย์นะ สัตว์จะไม่ลักทรัพย์ก็เป็นสัตว์ก็เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ไม่ฆ่าผู้อื่นไม่ประพฤติผิดประเวณีเพราะการกระทาเหล่านี้มันเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นการสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นถ้าทำมากๆเขาก็จะไม่ยอมให้อยู่ร่วมกับคนที่มีศีลนะในใ น, ในโลกของมนุษย์เขาจึงต้องสร้างกรงไว้คอย จับพวกมนุษย์ที่กลายเป็นเดรัจฉานกันนะก็คือคุกตารางนี่นะเพราะว่าถ้าปล่อยให้อยู่นอกคุกนอกตารางก็จะไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อนะื่นสังเกตใ้เวลามีสิงสารสัตว์มันออกมาเพ่นพ่านในบ้านในเมืองนี่โอ้ยตามจับกันวุ่นไปหมดนะไม่ปล่อยให้มันไปเที่ยวตามศูนย์การค้าไปดูหนังกับใคร ว่ามันไม่อยู่ในที่ของมันนี่เขาจะต้องรีบจับให้มันกลับเข้าไปอยู่ในกองเพราะถ้าปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่านเดี๋ยวก็ต้องกัดคนนั้นกินคนนี้นั่นเองหรือไปขโมยข้าวของไปทําอะไรเสียหาย<ม>ก็เลยต้องมีการสร้างกองสร้างอคอกไว้เก็บพวกที่ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วพวกที่ไม่ได้รักษาศีหนานี้แสดงว่าไม่เป็นมนุษย์ละ<ม>เป็นน้อยละอยู่ที่ว่าทําบาปมากทําบาปน้อย ทำบาปมากทำบาปบ่อยความเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์ที่ในอบายนี้ก็จะเป็นมากขึ้นมากขึ้นเขาถึงต้องจับไปขังคุกขังตารางแล้วก็ไปอบรมสั่งสอนใหม่ให้แก้ตัวไดเ้เวลาอยู่ในคุกเขาก็ดูพฤติกรรมว่ า, เ, าเรียบร้อยขึ้นไหมดีขึ้นไหม ถ้าไม่ไปทำบาปในคุกต่อไปเขาก็ปล่อยออกมาแสดงว่ า, เ, าเห็นโทษของการทำผิด อ, ออกมาคราวหน้าจะได้เข็ดลาบจะได้ไม่กลับไปทำอีกเนีเ่ยนี่คือก็ต้องมีสติคนที่ไปติดคุกถ้าอยากจะกลับเนื้อกลับตัวก็ต้องมีสติเวลาอยู่ในคุกก็ต้องเรียบร้อยต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบ ไม่ไปพยายามที่จะแหกคุกเนี่ยแหกคุกนี่เดี๋ยวพอถูกเขาจับได้เขาก็ยิ่งจะจับให้ขังอยู่นานมีโทษเพิ่มขึ้นอีกการแหกคุกก็สแสดงว่าเป็นการแหกกฎแหกระเบียบไม่ยอมทําตามกฎตามระเบียบถ้าปล่อยออกไปอยู่สังคมเดี๋ยวก็ไม่ทําตามกฎหมายอกีก เ, เดี๋ยวก็ต้องไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ก็ต้องไปก็ต้องจับขังไว้นานกว่าผู้อื่นผู้ที่เรียบร้อยทำตัวดีพอมีอภัยโทษมีการลดผ่อนหย่อนโทษก็จะได้รับการพิจารณาได้รับการหย่อนโทษได้รับการอภัยโทษเนี่ยนี่คือเรื่องของสติสติเป็นผู้ที่จะควบคุมกายวาจาใจของเรา ให้เดินไปในทิศทางที่ที่ดีได้ทิศทางที่ไม่ดีนี้ไม่ต้องใช้สติเหมือนขับรถเนี่ยออกนอกลู่นอกทางนี้ไม่ต้องใช้สติเมาแล้วขับอยู่เลยอยากจะออกลงข้างคลองข้างคูอยากจะตกเหวแหกโคง้งนี่ไปได้อย่างง่ายได้เลยสําหรับคนที่ไม่มีสติแต่การที่จะขับรถให้อยู่ในถนนได้เนี่อยู่แค่ จมเป็นจะต้องมีสติถึงจะสามารถคอยควบคุมบังคับให้รถยนต์นี้วิ่งอยู่บนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยใจของเราก็เป็นผู้เดินทางบนท้องถนนเหมือนกันถนนที่เราเดินทางกันอยู่นี้มันก็จะพาเราไปสู่ที่สูงหรือพาเราไปสู่ที่ต่ำถ้าไม่มีสติมันก็จะพาเราไปสู่ที่ต่ำ ก็มันง่ายมันมันง่ายไม่ต้องใช้สติมันมันก็จะไหลไปสู่ที่ต่ําเองแต่ถ้าจะขึ้นไปสู่ที่สูงนี่มันต้องมีสติคอยบังคับบังคับใจให้ขึ้นไปสู่ที่สูงได้จะทําบุญทําทานก็ต้องมีสติถึงจะทําบุญทําทานได้จะรักษาศีลก็ต้องมีสติถึงจะรักษาศีลได้น ถ้ารักษาศีลได้ก็เป็นมนุษย์ต่อไปได้ถ้าทาบุญทาทานเพิ่มก็จะได้ไปเป็นเทวดาถ้ามารักษาศีลเพิ่มจากศีลห้าเป็นศีลแปดแล้วไปฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ก็จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมโลกชั้นพรหมโลกก็มีอยู่สองชั้นชั้นรูปประรมกับอาลูปประรมมีความสุขต่างกัน มีความยิ่งสูงความสุขก็ยิ่งมากขึ้นสวรรค์ชั้นพรมนี้มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทวดาชั้นเทพ grasp, สวรรค์ชั้นพรมก็มีความสุขน้อยกว่าสวรรค์ชั้นอรูปประรมชั้นรูปประรมนี่สุขน้อยกว่าชั้นอรูปประรมแล้วเหนือกว่าสวรรค์ชั้นอรูปประพมก็มีสวรรค์ของพระอริยเจ้าเป็นสวรรค์ที่ไม่เสื่อม ได้แล้วจะไม่ต้องตกลงมาแต่สวรรค์ฉันพร ม, มโลกฉันเทวโลกนี้ได้ไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมต้องหมดเพราะว่าสติที่ส่งไปนั้นมันหมดกำลังเหมือนกับน้ำมันสตินี่เหมือนกับน้ำมันรถยนต์เติมน้ำมันเราก็ขับรถไปถึงที่นั่นที่นี่ได้แต่ขากลับจะกลับนี่ถ้าน้ำมันหมดก็ต้องแวะเติมน้ำมัน ถึงจะถึงจะไปต่อได้ถ้าไม่มีน้ำมันก็จะไปไหนต่อไม่ได้จิตก็จะเสื่อมลงจากสวรรค์ชั้นพรมลงสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็ลงมาสู่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาเติมน้ำมันกันใหม่มารักษาศีลมาทำบุญกันใหม่ถ้าไม่มีสติ ประคับประคองให้ทําบุญให้รักษาศีลก็จะเสื่อมลงไปเป็นเดือนชานเป็นเปรตต่อไปฉะนั้นต้องคอยรักษาสติไว้อยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ไม่มีสติอย่าปล่อยให้ทำอะไรตามอารมณ์ทาตามอารมณ์แล้วมันจะทำให้สติน้อยลงไปเรื่อยๆต้องคอยใช้สติห้ามอารมณ์ ถ้าเราทําอะไรตามอารมณ์นี่แสดงว่าเราไม่มีสติถ้ามีสติเราต้องห้ามอารมณ์ได้เวลาโกรธเราก็ต้องห้ามมันเวลาโลภเวลาอยากจะทําบาปก็ต้องห้ามมันเวลาอยากจะทําบุญถ้าไม่มีสติก็ทําไม่ได้เพราะฉนั้นต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆด้วยการเออ ทำในสิ่งที่ดีที่งามงามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำว่าการจะทำสิ่งที่ดีที่งามนี้ก็เป็นการฝึกสติในไปในตัวนั้นเองจะรักษาสินห้าได้นี่ก็ต้องมีสติมากกว่าเวลาที่ไม่รักษาสีลห้าถ้ารักษาสินห้านี้เพราะสมาทานสินห้าแล้วรู้แล้วว่าทีนี้ต้องระวังนะจะพูดปดไม่ได้นะ พอจะพูดปดก็ต้องมีสติรู้ทันรู้ว่าเรากำลังจะพูดปดก็หยุดที่จะพูดปดได้แต่ถ้าเราไม่สมาทานสีหน้าเราก็สบายสบายอยากจะพูดปดก็พูดไปไม่พูดปดก็ไม่พูดไปแล้วแต่อารมณ์อันนี้ไม่มีอะไรมาบังคับให้เรามีสติการทำทานการรักษาสีนี้มันเป็นตัวบังคับเราไปในตัว บังคับให้เรามามีสติกันไม่มีสติมาก็อาจจะมาทําบุญไม่ได้มเมื่อคืนนี้พอรู้ว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาวัดวันนี้มเมื่อคืนนี้ไปเที่ยวเด็กก็เอาเดือมโชล่าให้มันเมาไปเลยเมาแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ลุกไม่ไหวก็นอนต่อเพราะไม่ต้องไปทําบุญไม่ได้ไปไหนแต่ถ้ารู้ว่าวันนี้ต้องมาทําบุญมเมื่อคืนนี้อาจจะต้องคอยระวังหน่อย เมื่อคืนี้ไปงานเลี้ยงก็อาจจะต้องคอยระวังว่าเดิมมากไม่ได้เดี๋ยวพวกนี้ตื่นไม่ทันต้องมีศีลต้องคอยระงับอันนี้การมีศีลมันก็เป็นการบังคับให้เรามีสติการจะไปทำบุญมันก็บังคับให้เราต้องมีสติเพราะถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไปทาบุญไม่ได้ฉะนั้นการทำความดีต่างๆนี้มันก็เป็นการ บังคับเราไปในตัวการจะทำความดีได้ถ้าไม่มีสติทำไม่ได้เพราะว่าจิตโดยธรรมชาติมันชอบทำไม่ดีมากกว่าทำดีคนดีจึงมีน้อยกว่าคนทำไม่ดีเขาเปรียบเทียบว่าคนดีนี่เป็นเหมือนเขาวัวคนไม่ดีนี่เป็นเหมือนขนวัวใอหวัวตัวหนึ่งมีเขาแค่สองนันมีขนเป็นร้อย ใะคนในสังคมสังเกตดูมีคนคนดีคนไม่ดีอันไหนมากกว่ากันคนที่รักษาศีลห้ากับคนที่ไม่รักษาศีลห้านี่มีใครมีมากกว่ากันอันนี้ก็ดูคนบวชก็แล้วกันคนบวชในประเทศไทยมีกี่คนสองแสนช่วงออกพรรษาสี่แสนช่วงเข้าพรรษาแต่คนประเทศไทยมีต้องเจ็ดสิบล้าน มาบวชมารักษาศีลของนักบวชได้มีไม่กี่คนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องบังคับใจซึ่งใจนี้ไม่ค่อยชอบถูกบังคับใจชอบทำตามอารมณ์ทำตามความอยากเพราะเคยถูกฝึกฝนอบลมให้ทำตามความอยากมาจนติดเป็นนิสัยพอที่จะให้มาทำตามเหตุตามผลนี่ ยังรู้สึกว่ายากเพราะฝืนกับฝืนกับใจฝืนกับความถนัดเคยถนัดชอบทําอะไรตามคามตามอมารมณ์นึกอยากจะทําอะไรก็ทำมันนึกไม่อยากจะทําอะไรก็ไม่ทำํำแต่พอมาถูกบังคับห้ามไม่ให้ทําในสิ่งที่อยากทําบังคับให้ทําในสิ่งที่ไม่อยากทํามันก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมารู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่บังคับใจของเราเนี่ย ใจของเราจะดีขึ้นมาไม่ไดนะ้ใจของเราก็จะเป็นแบบเดิมๆอย่างที่เราเป็นกันอยู่เคยทำอะไรไม่ดีมันก็จะทาไม่ดีไปเรื่อ ย, อยจะจะเลิกก็ต้องบังคับต้องห้ามใจเช่นเคยเดิมุราติดชรานี้จะเลิกถ้าถ้ารู้ว่าไม่ดีก็ต้องเลิกจะเลิกก็ต้องบังคับมันจะบังคับมันได้ก็ต้องมีสติ ถ้าไม่มีสติก็เลิกไม่ได้ <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีสติก็ต้องมีศีลเป็นตัวมาบังคับให้มีสติพอจะดื่มสุราก็รู้ว่าอ่ตอนนี้เราห้ามดื่มสุราแล้วเราถือศีลแล้วเราอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้เราไม่อยากไปเป็ น, ดนเดรัจฉานเป็นเปรดเป็นอสุรกายไปนรกเราก็ต้องคอยห้ามความอยากดื่มสุรา พอเรามีอะไรมาคอยควบคุมบังคับเราเราก็สามารถที่จะห้ามมันได้เลิกได้แต่ถ้าเราไม่มีอะไรมาคอยควบคุมบังคับนี้เราก็จะไม่ทำาถ้าเราไม่สมาทานสีหน้าเราก็จะไม่ไม่ต้องรักษาสีหน้านึกอยากจะทำบาปก้อไหนก็ทำได้เลย แต่พอเรามาสมาทานศีลห้าแล้วทีนี้เราต้องมีสติคอยดูแล้วว่าเราจะไปทำผิดศีลหรือเปล่าพอรู้ว่าเราจะทำผิดศีลก็ต้องใช้สติหยุดมันบอกให้เราห้ามตัวเราเราสมาทานศีลแล้วเราจะไม่ทำบาปแล้วทำบาปไม่ได้แล้วเพราะการทำบาปมันมีผลไม่ดีต่อจิตใจมันจะชดจะให้จิตใจลงต่า ไปหาความทุกข์ยิ่งต่ำความทุกข์ยิ่งมากถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องอย่าปล่อยให้จิตใจลงต่าเราต้องคอยดึงมันไว้ต้องคอยห้ามมันไว้เราก็จะเกิดมีสติมีปัญญาขึ้นมาดูจากคิดคิดในทางเหตุทางผลมันก็จะสอนให้เรารู้ว่าการทำบาปนี้ไม่ดีการไม่ทำบาปนี้ดีกว่า พอรู้อย่างนี้พอถึงเวลาจะทําบาปมันก็จะได้ตัดสินใจว่าไม่ทําบาปดีกว่ามันก็จะพยายามห้ามจิตใจไม่ให้ทําบาปแล้วพอพยายามห้ามเดี๋ยวมันก็ห้ามได้ใหม่ๆอาจจะล้มลุกคุกขานห้ามได้บ้างห้ามไม่ได้บ้างทั้งเผลอบ้างลืมบ้างแต่พยายามทําไปเรื่อยๆต่อไปการล้มลุกคุกขานมันก็จะน้อยลงไปแล้วการ ตั้งสติก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆจะสามารถควบคุมการกระทาต่างๆได้ดีขึ้นไปตามลำดับไม่เช่นนั้นคนเราพัฒนากันไม่ได้หรอกที่พัฒนากันได้ก็เพราะว่าใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้ถ้าเรามีเครื่องมือเครื่องมือก็คือวิธีการต่างๆเช่นสอนให้คนทาดีสอนให้คน ปฏิบัติตามกฎหมายตามกฎระเบียบตามอะไรต่างๆเหล่านี้สังเกตดูเด็กที่อยู่บ้านกับเด็กที่อยู่โรงเรียนกินนอนนี้จะมีระเบียบไม่เหมือนกันะคนที่ไปเรียนโรงเรียนกินนอนนี่มักจะมีระเบียบมากกว่าเด็กที่อยู่บ้านเพราะที่บ้านพ่อแม่อาจจะไม่เข่งคัดในเรื่องระเบียบกับลูกมากนะักเพราะสงสารลูกปล่อยลูกตามอธัธยาศัย แต่ถ้าไปเรียนอยู่โรงเรียนกินนอนนี่เขาจะมีกฎมีระเบียบควบคุมเด็กทุกคนเด็กต้องอยู่ในกฎในระเบียบเพราะถูกควบคุมบังคับให้อยู่ต่อไปก็มีระเบียบขึ้นมาอเองเด็กบางคนจึงต้องถูกส่งไปโรงเรียนกินนอนเพราะอยู่บ้านแล้วไม่มีระเบียบอไม่ดูหนังสือชอบเล่นชอบทําอะไรตามมารมเกรดไม่ดีะ พอส่งไปโรงเรียนกินนอนเกรดดีมีระเบียบดีทำตามคำสั่งของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่คือเรื่องของการสร้างสตินะด้วยวิธีการต่างๆากฎระเบียบต่างๆนี้เป็นตัวคอยบีบบังคับให้จิตต้องสร้างสติขึ้นม า, าการทำความดีต่างๆก็เป็นการควบคุมบังคับให้เกิดมี ให้มีสติขึ้นมาเพราะถ้าไม่มีสตินี้จะบังคับใจให้ไปทำความดีไม่ได้เช่นใจเรานี้ชอบอยากได้มากกว่าอยากเสียจะสอนให้ใจทำบุญทำทานนี่ยากเพราะใจโดยปกติอยากได้มากกว่าอยากจะเสียเงนินจึงทาบุญได้ยากแต่ถ้ามีมาตรการมี มีธรรมเนียมเช่นมีวันสาคัญต่างๆวันพระวันอะไรวันวิสาขะวันอะไรก็มีธรรมเนียมให้มาทาบุญกันก็พอมีธรรมเนียมก็ทำง่ายแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาวันที่ไม่มีความสาคัญนี้ทำยากแต่ถ้าวันไหนเป็นวันเกิดนี่ทำได้ยินบีเสียเงินเพราะวันนี้เป็นวันสาคัญ ทำบุญทำทานได้แต่ถ้าเป็นวันอื่นนี้ทำไม่ได้เขาเลยยังยังต้องมีธรรมเนียมต่างๆเพื่อมาสอนคนที่ทำบุญไม่เป็นให้หัดมาทำบุญกันเพราะทำบุญแล้วมันมีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจนั่นเองมันเพิ่มความสุขให้กับใจมันลดความทุกข์ให้น้อยลงไปเพราะว่าการทำบุญนี้ มันดีกว่าการเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆเอาเงินไปทำตามความอยากต่างๆเพราะการเอาเงินไปทำตามความอยากเหมือนไปซื้อยาเสพติดส่วนการเอาเงินไปทำบุญนี่เหมือนกับการไปซื้ออาหารมาให้ใจพอพอมีโอกาสได้ทาบุญแล้วมาเปรียบเทียบดู เ, เงินก้อนนี้เวลาเราไปเที่ยวความรู้สึกเป็นแบบนี้ พอเราเอาเงินก้อนนี้ไปทำบุญมีความรู้สึกแบบนี้เปความรู้สึกแบบนี้มันดีกว่าเลยทำบุญแล้วมันรู้สึกมันมีความอิ่มใจสุขใจกว่ากว่าที่จะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นหรือเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆมันก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างของการใช้เงินว่าการใช้เงินที่มีคนมีประโยชน์กับใจนี่คือการเอาไปทาบุญทาทานนี่ การเอาเงินไปใช้กับความอยากต่างๆนี้กลับเป็นโทษต่อจิตใจเพราะมันจะทําให้มีความอยากเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเวลาไม่สามารถไปทําตามความอยากได้แตอนนั้นใจก็จะทุกข์จะเดือดร้อนขึ้นมาเหมือนคนที่เอาเงินไปซื้อยาเสพติดเวลาเสพก็มีความสุขแต่ต่อไปถ้าเงินหมดไม่สามารถซื้อยามาเสพได้ทีนี้มันจะทุกข์ทรมานใจ คนที่เคยใช้เงินกับการทำตามความอยากต่างๆพอเงินหมดนี่อยู่อยู่บ้านไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้หงุดหงิดนำคาญใจเศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเ ว, ะ ว, ะวะมีอารมณ์ไม่ดีแต่คนที่เอาเงินไปทำบุญนี้จะไม่มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเวลาไม่มีเงินไปทำบุญก็อยู่บ้านเฉยๆได้เพราะบุญที่ทำไว้นี้มันมีเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจ ทำให้จิตใจรู้สึกอิ่มรู้สึกมีความสุขสบายไม่ต้องไปทำอะไรตามความอยากต่างๆมาตรการต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาปฏิบัติกันก็เพื่อเป็นการหล่ อ, ล, อล้อมจิตใจเราให้มาสร้างความสุขที่แท้จริงกันนั่นเองเพราะว่ า, วาถ้าเราไม่มีมาตรการของนักปราชญ์อย่างพระ เ, เจ้า พวกเราก็จะใช้มาตรการของความหลงของพวกเราพวกเราคิดว่าความสุขของพวกเราอยู่ที่การทำตามความอยากต่างๆแต่เราไม่มองถึงเวลาที่เราไม่สามารถทำตามความอยากได้ว่ามันเป็นอย่างไรเวลาที่เราทำตามความอยากได้มีความสุขจริงเช็นเวลามีเงินทองเที่ยวน้สุขเวลาร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไหนทาอะไรได้มีความสุข แต่ต่อไปถ้าเกิดไม่มีเงินทองไปเที่ยวจะทํำยังไงหรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพีกลพิการหรือเวลาแก่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่จะไปหาความไปทําตามความอยากได้อย่างไรตอนนั้นอ่ะก็คิดฆ่าตัวตายกันนึ็นส่วนใหญ่เพราะมันทรมานใจความจริงความเจ็บปวดทางร่างกายมันไม่มากมายหรอกแต่ความเจ็บปวดทางใจความทรมานใจมันมาก เพราะว่ามันไม่สามารถทำตามความอยากดังที่เคยทำได้เหมือนกับคนที่ไม่ได้เสพยาเสพติดนี้มันจะทรมานมากแต่ความจริงความทรมานมากไม่ใช่อยู่ที่การไม่ได้เสพยาหรอกอยู่ที่ความอยากเสพยาเพราะคนที่ <laughs> ไม่ได้เสพยาที่ไม่มีความอยากไม่เห็นเดือดร้อนในชะ่ไะความเดือดร้อนอยู่ที่ความเคยทำตามความอยากเคยอยากเสพยาก็ได้เสพ นี่พอไม่มียาเสพนี้มันก็ทรมานแต่คนที่ไม่เสพยาไม่มีความอยากเสพยาไม่มียาเสพก็ไม่เดือดร้อนไม่ทรมานเป็นคนเหมือนกันไม่ได้เสพยาเหมือนกันแต่ทำไมคนหนึ่งจะตายให้ได้จะต้องฆ่าตัวตายก็เพราะมันเกิดความทุกข์ที่เกิดจากการทำตามความอยากนั่นเองพอไม่ได้ทำตามความอยากทีนี้มันก็จะทรมานใจมากแต่คนที่ไม่มีความอยากจะทา เวลาไม่ได้ทำก็ไม่เดือดร้อนนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าการที่เราจะปล่อยใจของพวกเราให้ไปทำอะไรตามความอยากอยู่เรื่อยๆนี้ ต, ตามใดที่มันยังทำได้มันไม่มีปัญหาแต่พอวันถึงวันใดที่มันทำไม่ได้แล้วตอนนั้นอ่ะมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปเจอกับเหตุการณ์ในวันนั้นตอนนี้เรามา ควบคุมมาตรการการทำความอยากกันดีกว่าด้วยมาตรการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำกันให้ทำทานให้รักษาศีลศีลระดับต่างๆศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี 10, ่บเจ็ดแล้วก็มาฝึกสติมานั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรม ให้เกิดปัญญาให้เห็นให้รู้ว่าอะไรเป็นคุณให้รู้ว่าอะไรเป็นโทษเพื่อที่จะได้เลิกทําสิ่งที่เป็นโทษแล้วทําแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แล้วต่อไปจิตใจก็จะสบายจิตใจก็จะไม่มีความทุกข์ความทรมานใจเพราะจิตใจได้เลิกกระทําตามความอยากต่าง อยากทำบาป ก, ก็เลิกทาอยากเอาเงินไปใช้ตามความอยากก็เลิกใช้อยากจะอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็เลิกหาให้มาหาความสุขที่เกิดจากความสงบจากการนั่งสมาธิแล้วก็มาสอนใจให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ตรงไหนความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่การหยุดความอยากนี้เอง ถ้าหยุดความอยากได้กำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ใจก็จะสุขไปตลอดใจก็จะไม่ต้องกลับมาวุ่นวายแบบที่เราวุ่นวายกันอยู่ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะไม่มีความอยากได้อะไรในโลกนี้แล้วนั่นเองถ้ายังไม่ได้หยุดความอยากก็ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาหาสิ่งที่อยากได้ต่อไป ก็จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆ <S <S 1> <S 1> <S แต่พอเรากำจัดความอยากต่างๆหมดไปจากใจแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกต่อไปอยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่ามีร่างกายมีร่างกายแล้วเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยกับการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ต้องทุกข์ลำบากกับความเป็นความตายของร่างกายไม่มีร่างกายแล้วซะแสนจะสบาย นี่แหละคือมาตรการต่างๆที่จะเสริมสร้างให้มีสติเพื่อที่จะได้มาหยุดมากําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจต้องมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วจิตก็จะมีสติเต็มร้อยสติที่จะสามารถหยุดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ยุดติการเวียนว่ายตายเกิดได้ะ ไปถึงพันธิพานได้ก็ขอให้พวกเราให้ความสําคัญกับสติสร้างสติด้วยการทําบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศฟังธรรมพิจารณาธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะสร้างสติขึ้นมาตามลําดับจนถึงระดับสูงสุดได้ต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุปปกกับปฏิ กิตต่ตังปิติตงตุมหังิปะเมวาสมิตตสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนอรโสยถามณิโชติอรโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพรโควินสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีธีขา으 โกภวาอภิวาธนสิริสานิจังวุธาปจายนโนจัตตารโธรมมวาทันติอายุวันโอสุขังภาลัอ กวางกวางแล้วมันเชื่องอะฮะเขาเขาเอามาผสมพันธุ์ให้มันโตแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่ตามป่าตามธรรมชาติเขาต้องการที่จะรักษาพันธุ์มันไว้เขาก็เลยเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาผสมนะพอมันออกมาตอนต้นก็เลี้ยงมันในคอกไปก่อนพอมันช่วยตัวเองได้ก็ปล่อยให้มันอยู่ในป่าวงน อ๋อไม่เป็นไรลอ่า ม, มันรถไม่วิ่งเร็วรถเห็นแต่อย่าไปเล่นกับมันอย่าไปให้เชื่องกับมันอย่าให้มันเชื่องเดี๋ยวมันจะมารบกวนเราเวลาเมันมาต้องคอยไล่มันไปวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทาง f a c e b o o สา5ร y อยห้าสิบสารอเจ็ดสิบห้าวิทยุออนไลน์ยี่สิบ็ดรับฟังบนเขาห้าสิบสอง รวมหกรอยเจ็ดเจ้าค่ะใครมีคำถามอยากถามอะไรตอนนี้ก็ถามได้อย่าถามตอนที่เลิกนะบางทีชอบมาถามตอนที่เลิกตอนให้ถามไม่ยอมถามถ้าไม่อยากจะแสดงตนก็เขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้ลาวจะมีคนอ่านคำถามให้ะจะขอความกรุณานะอย่ามาถามตอนเลิกเพราะหมดแรงแนละ้วน้ำมันหมด อยากจะกลับไปพักผ่อนบ้างบางทีต้องมาตอบปัญหาต่ออีกถ้าใครมีคำถามอะไรก็เชิญถามได้ตอนนี้เลยถ้ายังไม่มีก็เอาคำถามจากทางบ้านก่อนคำถามฝากถามเจ้าค่ะเราจะใช้ภาวนามายะปัญญาฆ่ากิเลสแบบถอนรากเหง้าไม่ให้กิเลสกลับมาอีกได้อย่างไรครับ ก็ต้องสร้างภาวนาขึ้นมาก่อนภาวนาก็คือสมถาภาวนาภาวนาให้ได้อัปปนาสมาธิเมื่อได้สัปอัปปนาสมาธิก็แสดงว่าจิตลงไปถึงรากเงาของกิเลสพอถึงรากเงาแล้วเราก็ใช้ปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าว่าปัญหาความอยากนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ วิธีที่จะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นไตลักในสิ่งที่เราอยากได้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันจะทำให้เราทุกข์เราก็จะได้ไม่อยากได้แล้วเราก็จะสามารถถอนลากถอนคนมันได้อย่างถาวรคำถามที่สองเราจะสังเกตรหรือพิจารณาตัวเองได้อย่างไรว่าเรามีการก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมบ้างครับ ก็ดูศีลของเราเนี่ยว่าเรานักษาศีลได้ดีขึ้นไหมโกหกมากขึ้นรือน้อยลงแล้วก็ทำบาปข้อไหนมากน้อยโกรธมากขึ้นหรือโกรธน้อยลงโรคมากขึ้นหรือโรบน้อยลงเหล่านี้เป็นตัววัดผลของการปฏิบัติถ้ายังโกรธมากเหมือนเดิมก็แสดงว่าไม่ก้าวหน้า ถ้ายัางโลภเหมือนเดิมก็ยังไม่ก้าวหน้าข้อสฝึกมีสติอยู่กับพุทโธตั้งแต่ลืมตาตื่นทั้งวันจนถึงหลับตานอนนั่งสมาธิได้หนึ่งชั่วโมงทุกวันแต่เวลามีเรื่องเศร้าเข้ามาใช้ปัญญาไม่เป็นในการกําจัดความทุกทุกทีเลยครับต้องพัฒนาปัญญา หรือสติสมาธิอย่างไรครับความเศร้าของเราก็เกิดจากการสูญเสียสิ่งที่เราต้องกะที่เรารักเราชอบหรือไม่สามารถได้สิ่งที่เราอยากได้นั่นเองเห็นเราก็จะเห็นว่าต้นเหตุของความเศร้าของเราก็คือความอยากอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เรารักไป อยากได้สิ่งที่เราอยากได้แต่ไม่ได้ก็เลยเศร้าเห็นไหมไปถามพวกที่สอบตกสอสอดูหน่อยเศร้าหรือไม่เศร้าพวกที่ไม่ได้ไม่ได้สอบสอสอก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่เศร้าใช่ไหมพวกเราไม่ได้ไปสมัครสอสอเป็นไงเศร้าไหมเฉยเฉยเช่ไยมแต่คนที่สมัครสอสอแล้วสอบตกนี่เศร้าทันทีเพราะความอยากเป็นสอสอ แต่พอไม่ได้เป็นก็เลยเศร้ารู้สูญเสียสิ่งที่เรารักเราหวงไปก็เศร้าแฟนทิ้งเราไปคนรักเราจากเราไปไปรักลราก็เศร้าเพราะฉนั้นเราต้องอย่าไปอยากกับสิ่งเหล่านี้ต้องพิจารณาว่าเขาต้องมีมามีไปเป็นธรรมดามีได้มีเสียเป็นธรรมดาไม่ใช่จะได้อย่างเดียว ไม่ได้จะอยู่กับเราไปตลอดเสมอไปต้องมีวันใดวันหนึ่งที่จะต้องมีการจากกันต้องมีวันใดวันหนึ่งที่จะไม่ได้ตามที่เราอยากได้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะได้ไม่ไปหวังอะไรจากสิ่งต่างๆปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงมาก็มาไปก็ไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เท่านั้นมันก็จบ แต่เราความอยากของเราต้องได้อย่างเดียวต้องอยู่กับเราอย่างเดียวจากเราไปไม่ได้พอเป็ น, ปนไปตามตรงกันข้ามกับความอยากของเราก็เศร้ากันนะคําำถามจาก a ฟ e b o o k คุณจรัตรลักษ์กราบถามพระอาจารย์การปฏิบัติสมาธินั่งยืนเดินสมาธิและสวดมนต์ทวัดเช้าเย็น แต่ทำได้เพียงสองถึงสามวันในแต่ละเดือนเท่านั้นกับอีกแบบคือสวดมนต์ห้องพระที่บ้านทุกวันเพียงบทสั้นสิบห้านาทีแต่ทำทุกวันเจ้าค่ะแบบนี้บุญที่เราจะได้รับสะสมติดตัวเราไปจะต่างกันอย่างไรเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันทำไปก็แล้วกันมีหลายรูปแบบขอให้ทำมันมากๆก็แล้วกันสรุปแล้วก็ดูปริมาณชั่วโมงก็แล้วกันอะ อาทิตย์หนึ่งทำห้าชั่วโมงทําแบบเอาทีละนิดทีละหน่อยหรือวันหนึ่งห้าชั่วโมงทุกไปมันก็ได้ห้าชั่วโมงเหมือนกันก็ดูปริมาณก็แล้วกันเหมือนเงินนี่เราเก็บสะสมไว้แล้ว เ, เก็บวันละหบาทหรือเก็บเดือนละหมื่นมันก็อยู่ดูที่ยอดของเงินที่เราเก็บก็แล้วกันว่ายอดไหนมันมากกว่ากันถ้าเก็บวันละหบาทเดือนหนึ่งมันได้ซู้ทั้งเก็บวันละหมื่นครั้งเดียว ก็เอาเอาดูที่ยอดของเงินที่เราเก็บก็แล้วกันทําปฏิบัติทำก็ดูปริมาณของการปฏิบัติของเราก็แล้วกันปฏิบัติกี่ชั่วโมงต่อเดือนต่ออาทิตย์เนี่ยก็มาเปรียบเทียบดูจะแบ่งเป็นวันละห้าวันละสิบห้านาทียี่สิบนาทีหรยวันเสาร์อาทิตย์ว่างเอามันทั้งวันทั้งคืนเลยอันนี้ก็ก็ได้เหมือนกันขอให้ดูที่ปริมาณของการปฏิบัติก็แล้วกัน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 เพราะมีน้องๆพนักงานร่วมฟังอยู่ขอความเมตตาครับคือจิตใจของพวกเราเนี่มันบางทีมันก็มีอยู่สี่ขันบางทีก็มีอยู่ห้าขันเช่นจิตใจเวลามาได้ร่างกายก็จะเป็นห้าขันจิตใจเวลาไม่มีร่างกายมันก็มีสี่ขันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอมาได้ร่างกายก็ได้รูปประขันก็เป็นห้าขัน ร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของเดรัจฉานก็เหมือนกันก็เป็นห้าขันเอแล้วไอขันเดียวนี้ก็เวลาจิตรวมเป็นสมาธิก็เหลือขันเดียวเออเหลือแต่รู้อย่างเดียวเออันนั้นก็เป็นขันเดียวเขาเลยบ อ, บอกว่าจิตนี้มีหลายระดับเนี่ยพวกที่เข้าสมาธินี่เป็นพวกพรมนี่ก็ เ, เรียกว่ามีขันเดียวเอพวกรูปประพรมและรูปประพรมนี่มีขันเดียว พวกเทพมีสี่ขันไม่มีร่างกายพวกมนุษย์นี้มีห้าขันเพราะว่ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มีรูปคือร่างกายมารวมกันเรย์ฉานก็มีก็มีห้าขันเปรตอสุรกายนรกก็มีสี่ขันมีไม่มีร่างกายมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แต่พวกที่อยู่อบายนี้มันจะมีแต่ทุกขเวทนาเวทนาจะเป็นทุกขเวทนาเป็นส่วนใหญ่พวกที่เป็นเทวดานี้จะเป็นสุขเวทนาเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีขันเหมือนกันมีสี่ขันเหมือนกันต่างกันตรงที่เวทนานี่เองว่ามีสุขเวทนามากหรือมีทุกขเวทนามากมีทุกขเวทนามากก็เป็นเปรตเป็นสุลกายเป็นนรกมีสุขเวทนามากก็เป็นเทพ เป็นเทวดาชั้นต่างๆนี่พวกนี้เขาเรียกพวกขันสี่พวกที่ไม่มีร่างกายพวกเรานี้มนุษย์มีขันห้านอกจากขันสี่แล้วก็มีร่างกายอีกด้วยพวกพรหมนี้มีขันเดียวจิตสงบนิ่งสักแต่วรู้เหลือแต่สักแต่วรู้เหลือแต่วิญญาณขันรับรู้รว่าเหลือแต่รู้ตัวเดียวตัวอื่นสงบนิ่งสัญญาสังขารหยุดทํางานเวทนาหยุดทํางาน ก็เลยเหลือขันเดียว น, นี่คือสัตว์โลกต่างๆเป็นอย่างนี้ขึ้นอยู่การปฏิบัติตามบุญทมทานรักษาศีลได้ก็จะได้เป็นเทวดาเป็นเป็นขันสีที่มีสุขเวทนามากนั่งสมาธิได้ฌานขั้นต่างๆก็จะเหลือขันเดียวขันอื่นหยุดทำงานไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่มันหยุดทำงาน ส่วนถ้าได้มาไล่ร่างกายของมนุษย์ก็ได้เพิ่มอีกขันหนึ่งก็ได้รู ป, ประขันถ้าได้ร่างกายเดรัจฉานก็เหมือนกันถ้าไม่มีร่างกายแต่มีทุกขเวทนามากก็เป็นพวกเปรตพวกอสุรกายพวกนรกไปก็เป็นดวงจิตดวงใจอันเดียวกันนี่อ้วาวไงคือเวลาปฏิบัติหลังปฏิบัติยาต้องพิจารณาทุกครั้งค่ะอ๋อคำว่าต้องมันไม่ต้องเหรออยู่ที่ว่า เราอยากจะเรียนทำต่อหรือไม่คือการนั่งสมาธินี้เป็นเป็นวิชาหนึ่ ง, งแล้วพอเราได้สมาธินี้เราจะมีกำลังที่จะไปเรียนวิชาที่สองคือปัญญาได้ถ้าเราไม่อยากเรียนเราก็ไม่ต้องไปเรียนถ้าเราอยากจะเรียนเราก็ไปเรียนวิธีเรียนก็คือศึกษาไงพิจารณาก็เป็นการศึกษาพิจารณาว่าร่างกายเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเนี่ก็เรียกว่าศึกษา รู้ปัจจุบันแบบนี้ไนดะ้หรือว่าต้องศึกษาตอนให้รู้เดีเข้าไปในตาในเลยต้องรู้จักะทั่งมันไม่ลืมตอนนี้เรามักจะลืมเรามักจะไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราต้องมาเปลี่ยนความคิดความรู้สึกกันนี้ให้ได้เป็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงธาตุสีเด็นน้ำลมไฟมันเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตาย แต่ในใจเรามันไม่มีความรู้สึกแบบนี้อยู่มันจะรู้ว่าเป็นตัวเราของเรามันจะอยู่กับเราไปตลอดต้องมาแก้ความความรู้ที่มันมันผิดเป็นฝังอยู่ในใจให้มันออกไปแล้วเอาความรู้จริงเข้าไปฝังไว้ในใจแทนรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรามันจะต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บเนี่ยไม่ต้องกลัวมันมันเราไม่ได้ตายไปกับมันมันเป็นเพียงแต่คนรับใช้เรา เราเป็นใจเป็นนายของมันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเราสั่งให้มันทําอะไรต่างๆต่อไปมันแก่มันก็ทําไม่ได้มันก็ขอลาออกขอกลับบ้านเก่าให้มันไปไม่ให้รู้อยู่ตลอดอ่าตลอดเวลาแต่ว่าเวลานั่งสมาธิหลังนั่งสมาธิแล้วไม่จำเป็นจะต้องเอาตาในเข้าไปมอ ง, งเห็นถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องเห็นแล้วถ้าปล่อยวางร่างกายได้ก็จบแล้ว ถ้า ย, ยังยึดติดอยู่ยังคิดว่าเป็นตัวเราของเรา ắc, ยังรักยังหวงอยู่ก็ต้องสอนใจไปเรื่อยๆสอนให้มันปล่อยถ้ามันปล่อยแล้วก็ไม่ต้องสอนละเหมือนบอกเด็กว่าของเล่นนี้มีเป็นพิษอย่าไปเล่นเนี่ยถ้าเด็กมันยังเล่นอยู่ก็ต้องคอยห้ามมันคอยสอนมันอยู่เรื่อยแต่พอเด็กมันเลิกเล่นแล้วพอมันพอบรรดอนยาพิษกัดเอาขนเดียวมันเข็ดมันก็ไม่ไปเล่นเองที่บางทีเรายังต้องไม่เห็นว่า การยึดติดกับร่างกายนี้มันแสนทรมานถ้าเห็นร่วมันแสนทรมานแล้วต่อไปมันก็จะไม่ยึดติดมันจะปล่อยวางคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณวรัสกีกราบนมมสการครับพระอาจารย์พอดีกระผมกำลังเริ่มถือศีลห้าภาวนาฝึกสมาธิมาสักระยะหนึ่งแล้วและถ้าว่างก็จะไปฝึกที่วัดต่างๆอยู่บ่อยๆ แต่พอดีบางครั้งก็จะโดนแฟนและน้องสาวตําหนิว่าอยากให้มันมากเกินอยู่ดูแลงานบ้านบ้างซึ่งพอได้ยินแบบนี้แล้วก็เลยคิดฟุ้งซ่านเลยไม่มีสมาธิในการภาวนาอย่างนี้คนที่ตําหนิเราเขาจะบาปหรือไม่ครับหรือว่าตัวผมเองจะบาปเพราะดูแลทางบ้านไม่สมบูรณ์ครับไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามัน ไม่ได้ทำบุญท่นั้นเองการไปปฏิบัติธรรมนี้เป็นการไปทำบุญพราอมีใครมาว่ามาห้ามเราเราไม่ไปเราก็เลย <c oughs> ไม่ได้บุญไม่ได้ไปทำบุญแต่ไม่ไดไ้ไม่ได้ทำบาปการไม่ได้ทำบุญนี่ไม่เป็นบาปนะงั้นก็อยู่ที่ว่าเราต้องดออูหน้าที่ของเราว่าเรามีหน้าที่การงานอะไรของเราที่เราปล่อยประละเลยหรือเปล่าถ้าปล่อยประละเลยก็ ก็ไม่ถูกต้องก็ต้องไปทําหน้าที่ของเราครอบครัวเรามีเราก็ต้องเลี้ยงเขาถ้าไม่อยากจะเลี้ยงเขาก็แยกทางกันไปแล้วก็ทีนี้ก็จะได้ไปทําอะไรตามที่เราต้องการจะทําได้แต่ถ้าเรายังอยู่กับเขาเรายังมีหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูเขาเราก็ต้องทาหน้าที่นั้นถ้าเราเลี้ยงดูเขาเรียบร้อยแล้วเรามีเวลาว่างเราจะไปก็เป็นเรื่องของเรา คำถามต่อไปจากคุณปราโมทค่ะกราบเรียนถามหลวงพ่อครับปกติไม่ค่อยได้เข้าวัดแต่เมื่อได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อเหมือนได้เข้าวัดทุกวันการภาวนาอาณาปานสติจนเห็นลมหายใจเป็นสายละเอียดลงเรื่อยๆจนไม่เห็นลมหายใจถึงจุดนี้ควรทำอย่างไรต่อครับก็ดูเหมือนกับตอนที่ดูตอนที่มีลมหายใจใกล้มีสติ ด, ดูไป ดูดูการไม่มีลมหายใจไปอย่าปล่อยให้ใจไปทำอย่างอื่นดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะวุบเข้าไปสู่ความสงบเองมันกำลังจะเข้าถึงถึงจุดที่มันจะนิ่งแล้วอย่างไม่ต้องไปทาอะไรดูต่อไปดูว่าตอนนี้ไม่มีสายลมให้ดูแล้วก็ดูมันไปดูดูความว่างไปอย่าปล่อยให้มันคิด อย่าไปบุงแต่งบางคนให้ลมไม่มีแล้วเดี๋ยวตายหรือเปล่านี่นี่สแสดงว่าเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วถ้าปล่อยให้คิดปรุงแต่งเดี๋ยวมันกลัวแล้วเดี๋ยวตายต้องถอยออกมาละหนึงดึงจิตค่อยหนึงหนึงลมกลับมาลมมันละเอียดเพราะมันมันไม่ต้องใช้งานมากลมมันก็เลยน้อยลงน้อยลงไปแต่ไม่ตายนไม่มีใครตายจากการนั่งอานาปนาสตินตายจากการกินเหล้ามากกว่า ไปดูสติิตได้เวลากินเหล้าเหมือกลัวตายอันเนอะกินเงินได้กินกันเล้นเอาใช้ยโยใช้ยโยพวมานั่งสมาธิพอมาดูล ม, มละเอียดเข้าละเอียดเข้าหน่อยกลัวตายอย่างขึ้นมาแนละ้วต่อไปคําถามต่อไปจากคุณวันนิพากราบนามสการเจ้าขาพระอาจารย์โยมขอถามว่า จิตที่ปรุงแต่งจนเกิดจิตวิปลาสพอจิตกลับมารู้ตัวอีกครั้งจะกลับมาฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันไม่ให้หลงไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าจะกลับมาได้เปล่ากลับมาได้ก็ถ้ารู้ว่าไปผิดทางแล้วอยู่เทินมันก็กลับได้ แต่ถ้าถ้าไม่อยู่เทินไม่รู้ว่าผิดทางมันก็ไม่กลับนะคนที่วิปลาสจนไม่กลับก็เพราะยังคิดว่าตัวเองถูกทางอยู่นั่นอยังคิดว่าเป็นอรหันต์เป็นอะไรอยู่อย่างหนูตาท่านเล่าเป็นอรหันต์นกหวีดอยู่นั่นนอะก็แต่อรหันต์บางองค์ไว่าไม่ใช่นะี่ว่าวันนี้กิเลสตายวันนี้มันพึ่งขึ้นมาอีกแล้วอันนี้ก็กลับทางได้ยังรู้ว่าอ่อนยังไม่บรรลุยังไม่ถึงอ คนปฏิบัติต้องคอยสังเกตดูที่ตัวกิเลสนี่แหละยังมีหรือเปล่ายังทุกข์หรือเปล่าอย่าไปคิดว่าโอ้เป็นโสดาเป็นนั่นเป็นนี่แต่ใจยังทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็สแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นของแท้ของจริงของปลอมคำถามจากเฟ e บุ o k ค่ะจากคุณคอตเ o n c เค e กแ b บอบขนมโดยไม่รู้ว่าจิ้งจกอยู่ในเตาค่ะรู้สึกบาปมาก คิดยังไงให้ถูกต้องดีคะอ๋อไม่บาปแล้วมันเป็นกรรมของจริงโจกที่มันชอบไปนอนในในบ้านของคนอื่นเขาบ้านตัวเองไม่อยู่ชอบไปอยู่ <laughs> ถ้าเราไม่เห็นไม่มีความเจตนาที่จะทำเขาไม่บาปหรอกแต่ ว, ว, ว่าเป็นกรรมของเขาถึงเวลาความโง่ของมันเองความอยากสบายห้องตูนี้มันปลอดภยัย <laughs> ก็เลยเนี่ย ก็เลยต้องตายไปหรือบางทีเราขับรถถอยหลังมีแมวมีหมาอยู่ข้างหลังมองไม่เห็ น, นก็เหยียบมันตายไม่บาปหรอกเพราะเราไม่มีเจตนาที่จะทำให้เขาตายคำถามต่อไปจากคุณลูกนกขอเรียนถามเจ้าค่ะในขณะที่นอนกำหนดลมหายใจเข้าออกจนเห็นว่าจิตสงบนิ่งไม่มีนิวรณ์ความคิดดับมีแต่ตัวรู้ เห็นว่ากายที่นอนอยู่เป็นสีดําทั้งร่างกายมีแสงระยิบระยับทั้งตัวเลยอันนี้เรียกว่าอะไรเจ้าคะก็เรียกว่าเห็นตามที่เห็นนั่นแหละเรียกว่าเมันยังไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ความสงบถ้าความสงบนี้จะไม่เห็นอะไรจะเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวเห็นแต่ตัวรู้ตัวเดียวถ้ายังเป็นเห็นร่างกายระยิบระยับเห็นนู่นเห็นนี่อยู่ก็แสดงว่ายังไม่สงบนะ คำถามต่อไปจากคุณกิตติกราบนมัสการหลวงพ่อครับกราบเรียนถามปัญหาว่าพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาสามปีแล้วจากการที่เส้นเลือดในสมองแตกลูกๆ ก, ก็ได้ช่วยกันดูแลตามอัตภาพแต่ในช่วงเวลาวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาพ่อมีไข้สูงมากและมีอาการหอบจึงได้ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลจนถึงปัจจุบันนี้มีอาการดิ้นทุรนทุราย ดวงตาลูกโตแพทย์ก็ได้ฉีดมอร์ฟีนให้เป็นแบบครั้งคราวที่มีอาการจนวันที่19จึงเปลี่ยนเป็นแบบให้ตลอดผ่านทางสายน้ำเกลือเนื่องจากพ่อดิ้นทรมานมากหมอก็บอกว่าอาการแย่ลงเรื่อยๆรอวันที่พ่อจะจากไปแต่ว่ายังมีเครื่องกระตุ้นหายใจที่ทำงานอยู่อยากกราบเรียนถามว่าถ้าจะถอดสายออกซิเจนออก เพื่อให้พ่อจากไปจะได้ไม่ทรมานอีกเนื่องจากการรักษาไม่มีทางจะดีขึ้นแล้วแบบนี้จะผิดไหมครับหรือว่าควรปล่อยใหยพ้พ่อจากไปเองพ่ออายุ84ปี <c oughs> แล้วครับก็ได้ทั้งสองอย่างจะจะช่วยยืดอายุยืดความทรมานก็ก็มีสายมีอะไรเชื่อมโยมต่อไปถ้าอยากจะให้มันสั้นลงก็เอาถอด เครื่องช่วยต่างๆออกไปเท่านั้นเองไม่ไม่เสียหายไม่บาปไม่ได้เป็นการการลุณนคาาแต่อย่างใดเป็นการปล่อยให้ร่างกายอยู่ตามธรรมชาติของเขาอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็เขาเข้าไปแต่ถ้าเราเอาเครื่องไปช่วยหายใจเอามาสายยางสายอะไรส่งเข้าไปก็เป็นการช่วยประครับประคองให้ร่างกายอยู่ต่อไป อยู่แบบทรมานเพราะอยู่แล้วก็ต้องดิ้นเพราะใจนี้มันพยายามดิ้นหนีความเจ็บของร่างกายอยู่เรื่อยๆฉะนั้นก็ทําได้ทั้งสองทางอยู่ที่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีความเห็นอย่างไรฉะนั้นเดี๋ยวจะมาตีกันระหว่างคนคนคนดูแลคนคนใข้เขาไม่รู้เรื่องแต่คนที่อยู่เดี๋ยวจะมาแตกแยกกันมามีมีเรื่องมีราวกันก็ต้องดูว่า ะมีข้อสรุปกันอย่างไรแต่มันก็ได้ทั้งสองทางนะก็จะประคับประคองให้ท ร, รมานต่อไปก็ได้หรือว่าจะหยุดการประคับประคองเพื่อเขาจะได้ไม่ท ร, รมานนานเกินไปคือให้เขาทรมานตามตามธรรมชาติของเขาก็ได้ได้ทั้งสองทางคำถามจาก Facebook คุณสมพรกราบนามัสการปุตฉาพระอาจารย์ครับ จะใช้หลักธรรมอย่างไรให้พยายามละกามตัญหาชนิดอยากเสพตามรูปรสดีครับออก็ดูว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไงเหมือนยาเสพติดทำไมเราไม่เสพยาเสพติดเพราะเรารู้ว่าเวลาไม่ได้เสพมันจะทรมานรูปรสมันก็เป็นเหมือนยาเสพติดเวลาไม่ได้เสพมันก็จะทรมาน เคยดูละครวันไหนไฟดับไม่ได้ดูละครมันก็หงุดหงิดล ะ, ะก็ให้เห็นโทษว่าเวลาไม่ได้เสพมันจะทรมานแล้วมันจะต้องมีเวลาที่จะไม่ได้เสพเช่นเรื่องของคนที่เมื่อกี้ไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลนี่จะเสพ ร, รูปรถต่างๆเสพไม่ได้แล้ว มันใจมันเลยทรมานมันดิ้นไม่ใช่เพราะว่ามันเจ็บที่ร่างกายมันดิ้นเพราะว่ามันไม่มีความสุขมันไม่ได้เสบรูปรสเสียงกินรสเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเท่านั้นเองแต่คนที่ไม่เสบสบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็นอนเฉยเฉยสงบเสบความสงบดีกว่าให้เราหันมาเปลี่ยนเครื่องเสบดีกว่าอย่าไปเสบรูปรสให้มาเสบความสงบ คำถามจากคุณซอซกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากถามพระอาจารย์ว่าการนั่งสมาธิรู้สึกไม่ค่อยสงบแต่พอพอฟังธรรมรู้สึกจิตใจสงบกว่าค่ะ เ, เพราะว่าสติเรายัางไม่มีกำลังที่จะบังคับให้มันอยู่กับดูการดูลมหรือกับการบริกรรมพุโทโธมีสติพอที่จะฟังธรรมได้ การฟังธรรมก็เป็นการทําใจให้สงบได้ในระดับหนึ่งเพราะมันก็หยุดความคิดต่างๆได้แต่ที่เราจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็คิดอยู่กับเรื่องธรรมะที่เรากําลังฟังอยู่อย่างนั้นก็ถ้าเราจะนั่งสมาธิเองไม่ได้ก็เวลาจะนั่งก่อนจะนั่งก็เปิดธรรมะฟังไปก่อนพอฟังจนกระทั่งจบแล้วใจเริ่มสงบเบาแล้วก็ลองดูลมหายใจต่อไป หรือพุโทโธต่อไปหรือสวดมนต์ไปในใจก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีสติถ้าใจสงบมากขึ้นมันก็จะมีสติมากขึ้นมันก็จะสามารถต่อไปดูลมหายใจได้พุโทโธเองได้คำถามจาก Facebook mm hmm. จากคุณสุดทางรักเรียนถามพระอาจารย์ครับ mm hmm. ถ้าเราโกหกแบบไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อน แบบคุยกับเพื่อนสนุกสนุกแบบนี้ผิดศีลไหมครับมันก็โกหกเหมือนกันเนะี่ยจะโกหกแบบไหนมันก็โกหกนะโกหกแบบให้คนอื่นเขามีความสุขมันก็โกหกหลอกเมียว่าไปเที่ยวมาแต่บอกเมียว่าไปทํางานนี้เพื่อให้เมียสบายใจ <laughs> นี้มันก็โกหกนมัสการพระกุญเจ้า มีคำถามและขอท่านชี้แนวทางปฏิบัติด้วยค่ะหนูทำงานรับราชการโดยเป็นหัวหน้าหน่วยงานขณะปฏิบัติงานเจอปัญหาหลายด้านเครียดอยากลาออกงานบ่อยมากเลยยื่นใบาลาออกแต่พอคำสั่งออกหนูกลับไม่อยากออกเพราะการไปอยู่บ้านเฉยๆมันน่าเบื่อมากรู้สึกเครียดทานอะไรไม่ลงน้ำหนักลด หนูพยายามฟังธรรมะก็รู้สึกดีขึ้นมาบ้างนิดหน่อยแต่พอสักพักก็เป็นเหมือนเดิมหนูควรทำอย่างไรดีคะก็ฟังบ่อยๆฟังวันละหลายรอบถ้ามีเวลาว่างมันเครียดก็ฟังธรรมไปเรื่อยๆก็จะช่วยได้แล้วก็หัดฝึกสมาธิต่ตอฟังธรรมแล้วก็หัดดังดูลมหายใจเข้าออกควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิด ถ้าจิตสงบลงก็จะเกิดความสุขขึ้นมาก็จะอยู่แบบไม่เครียดที่เครียดเพราะยังมีความอยากทำนู่นทำนี่อยู่พอไม่มีอะไรให้ทำก็เลย ร, รู้สึกเครียดขึ้นมา เราต้องหาอะไรทำหาที่เป็นประโยชน์ทำที่จะทำให้ใจเราหยุดเครียดก็คือให้เราฟังเทศฟังธรรมให้เรานั่งสมาธิถ้านั่งเบื่อก็ให้เดินจงกรมเดินกับนั่งก็เหมือนกันนั่งดูลมหายใจเดินก็ดูเท้าไปซ้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปเพราะเรานั่งอย่างเดียวไม่ได้นั่งนานๆมันก็เมื่อยก็เปลี่ยนขึ้นมาเดินเดินนานๆเมื่อยก็กลับไปนั่งใหม่ ทำอย่างนี้ปัดสลับกันไปเดินบ้างนั่งบ้างฟังทำบ้างมันก็จะมีอะไรทำไม่ทำมันก็จะทำให้รู้สึกไม่เบื่อถ้าไม่มีงานทำคำถามจากอินบ็อกซ์ข้อต่อไปค่ะกราบพระอาจารย์หนูมีเรื่องขอเรียนปรึกษาเจ้าค่ะคือหนูลาออกจากงานเดิมและเริ่มทำงานที่แห่ ง, หงใหม่รายได้ดีแต่หนูไม่มีเวลาพักเลยค่ะ ที่สำคัญคือเหนื่อยจากงานแล้วไม่มีเวลาได้นั่งสมาธิเหมือนแต่ก่อนเลยหนูจึงตัดสินใจแจ้งขอย้ายแผนกเพื่อต้องการเวลาในการเข้าถึงพระธรรมเช่นเดิมหนูตัดสินใจแบบนี้ระหว่างรอคำตอบอนุมัติการโยกย้ายหนูควรทำใจอย่างไรคะกับการรอที่ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่เพราะหนูก็ยังต้องทางานเพื่อเลี้ยงดูแม่ด้วยค่ะ หากเว้นหรือพักสักเดือนอาจจะทำให้ลำบากได้จึงเรียนปรึกษาขออุบายทำในครั้งนี้จากพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ลองเพลงเคสลาเสลาอะไรจะเกิดก็เกิดจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้วรามันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราแล้วมันอยู่ที่คนอื่นแล้วเขาจะให้เราเราก็ต้องรับเขาจะไม่ให้เราเราก็ไม่ได้รับต้องทาใจเท่านั้นเอง คำถามจาก Facebook คุณฮิลแมนดอยเรียนถามเรื่องตัณหาสามีอะไรบ้างเป็นยังไงครับตัณหาแปลว่าความอยากความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับใจคือกามาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสนี้เรียกว่ากามคุณห้าความอยากในกามคุณห้าก็คือกามาตัณหาความอยากชนิดที่สองคือความอยากมีอยากเป็น อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากเป็นสอสออย่างนี้พอสอบตกก็ทุกข์เสียใจความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ยากจนอยากไม่ตกงานอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเจอสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็จะทุกข์ใจแต่ถ้าไม่มีความอยากกับสิ่งเหล่านี้ก็จะเฉยเฉยคำถามจาก Facebook ครูแดงสารคาม กราบนามัสการพระอาจารย์ครับการที่เรานั่งสมาธิบางวันสามารถนั่งได้นานบางวันกระสับกระสายนั่งไม่ได้แต่ทำทุกวันอยากเรียนถามว่าการทำสมาธินี้จะมีการพัฒนาขึ้นหรือถอยหลังครับก็อยู่ที่ว่าเราทำมากทำน้อยทำมากขึ้นมันก็พัฒนาขึ้นทำน้อยลงมันก็พัฒนาลงอยู่ที่ปริมาณอินพุต Input กับเอาพุตอินพุน้อยเอาพุ t ก็น้อยอินพุมากเอาพุ t ก็มากแต่ต้องเป็นอินพุที่ถูกด้วยนะไม่ใช่อยู่แต่มากอย่างเดียวอินพุแบบไม่ถูกมันก็ไม่ได้ผลเช่นนั่งแบบไม่มีสตินั่งมากขนาดไหนนั่งปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งไปก็ไม่ได้ผลเหมือนกันต้องนั่งให้ถูกแล้วต้องนั่งให้มากผลก็จะมากขึ้นตามลำดับงั้นต้องศึกษาวิธีที่ถูกตั้งว่าเป็นอย่างไร พอรู้แล้วก็พยายามปฏิบัติตามวิธีนั้นแล้วพอได้เห็นว่าเป็นผลได้ผลพอใจก็พยายามเพิ่มปริมาณของการปฏิบัติให้มากขึ้นมันก็จะพัฒนาไปตามลำดับต่อไปคาถามต่อไปจากคุณอัชราค่ะจะปฏิบัติธรรมอย่างไรดีเพื่อให้จิตไม่เศร้าหมองค่ะกราบนมัสการปฏิบัติเรื่อยๆอย่าปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งไปตามความอยาก พออยากเมื่อไหร่บั๊บจะเศร้าขึ้นมาทันทีเน้นต้องคอยควบคุมความอยากด้วยสติด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆด้วยสมาธิเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างฟังเทศฟังธรรมบ้างพิจารณาธรรมบ้างมันก็จะคอยควบคุมความอยากต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาได้แล้วความเศร้าก็จะไม่เกิดเอาคําถามสุดท้ายนะจากคุณเปรี้ยวใจกราบนมัสการเจ้าค่ะ ขอวิธีดูกายและจิตในทุกๆวันและเจริญสติไปด้วยเจ้าค่ะการปฏิบัตินี้มันจะเอาแบบรวมมิตรไม่ได้หรอกมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนอขั้นแรกของการปฏิบัติโ้จเจ้าสอนให้เราฝึกสติก่อนยังไม่ต้องไปดูกายดูจิตให้ฝึกสติด้วยการควบคุมความคิดอย่าให้คิด ฉันใช้คําบิกรรมพุทธโธอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยคิดฟุ้งซ่านถ้าต้องคิดก็คิดแต่เฉพาะเรื่องที่จำเป็นเวลาทำงานอะไรทำนองนี้ถ้าไม่จำเป็นอย่าคิดหยุดความคิดเพราะการหยุดความคิดจะทำให้ใจเราสงบมีความสุข แล้วเราก็จะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นต่อไปคือขั้นดูกายดูจิตได้ตามลำดับนะย่างขั้นเบื้องต้นนี้เอาสติก่อนฝึกสติก่อนพยายามฝึกสติหยุดคิดให้ได้ก่อนทำใจให้สงบเป็นสมาธิก่อนพอได้สมาธิแล้วทีนี้ก็ค่อยไปศึกษาคำว่าดูกายดูจิตก็ศึกษาว่ากายเป็นใครเป็นเราหรือไม่ใช่เป็นเราจิตเป็นเราหรือไม่ใช่เป็นเราอะไรทานองนี้ ต่อไปแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปดูเพราะไม่สามารถที่จะทำตามที่เราดูได้มันจะไม่ยอมฟังเราไม่มีกำลังที่จะไปห้ามมันเอาล้นะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ